ฉันนี่แลถือว่าถ้าเราเป็นลูกอยู่ในคนหนึ่งอยู่กับบิดามมนดาพระเจ้าเสนกว่าเป็นผู้มีปัญญาโคตรกว่าออแม่นะ่ะหนึ่งข้อที่หนึ่งพระพ่อแม่ไม่มีศรัทธาเลี่ยมใสในพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็ชักชวนท่านให้เลี่ยมใส ในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เกิดจากตระกูลสูงเป็นลูกพระราชามหากษัตริย์อยู่ในหอประสาทหลักสมุนเทียนสามฤดูท่านก็ยังไม่อยู่ท่านก็ยังเป็นผู้ไว้สร้างบรารมีจะได้ทรงออกทรงพนวัตรบทเรียกศึกษาปฏิบัติเนเราจริงเราจำจนได้ สำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็จะแนะนําสั่งสอนแก่คนทั้งหลายที่มาเกิดเหมือนอย่างพวกเราหรือคนเกิดในสมัยนั้นคนอื่เพื่อให้ค้นจากกองทุกข์ไปเพราะคนเกิดมาแล้วเนื้อรับกองทุกข์อยู่ตามกรรมต่างๆกันที่สร้างไปพุทธเจ้ามีความเมตตา เมตตาคุณแก่สัตว์ทั้งหลายกรุณาสงสารแก่สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิคุณบริสุทธิบริสุทธิ์หมด จ, ดจดจากกิเลสหนหัวใจของท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เอาธรรมนั้นมาแนะนําสั่งสอนเพื่อมีความสงสารแล้วหน้าเลี่ยมใสในพุทธเจ้าที่ท่านคุณนหยสร้างคุบรรณบารมีสีสงไข่แสนกําไรมาหากับที่ท่านสร้างคนดีมา จนได้สำเร็จแล้วก็พอจะเห็นบุญเห็นคุณของทาง่านถ้าทำคำสอนที่พระพุทธเจ้าค้นคั่วมาไ้เจริญภาวนามาตั้งหกปีได้สำเร็จเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเป็นความจริงเมื่อท่านเห็นความจริงนั้นท่านก็นำมาสอนมา อันใดเป็นบุญอันใดเป็นบาปอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษอันใดเป็นประโยชน์อันใดมิใช่ประโยชน์ถ้านำมาเน้นนาสั่งสอนคือให้ลูกอันนี้พระธรรมคาสั่งสอนของพุธเจ้าเป็นนัยานิกธรรมบุคคลนําไปปฏิบัติสามารถที่จะเอาบุคคลนั้นให้ก้าว่วงทุกไปได้ เป็ธรรมที่มีความเยือกเยน็นระงับความร้อนคือกิเลสทั้งหลายที่มีความทุกข์อยู่ให้หาจากความร้อนนั้นกลับมาเป็นความเย็นได้แต่เรียกว่าเป็นวิญญาณนิพพานํานสัตว์ให้พ้นจากทุกข์นี่เรียกว่าเราหน้าเรียมใสคําสอนเป็นคําจริงคําสอนของพระพุทธเจา้าภริยสงฆ์ทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ น, นาคําสอนนั่นไปปฏิบัติตาม ทำคำสอนของพุทธเจ้าพอได้สำเร็จมรรคผลตามพุทธสเสด็จพุทธเจ้าไปวันนี้ต่อมาสุดท้ายภายหลังหลังขั้งพุทธการมาก็มีครูบาอาจารย์บวชศึกษาเราเรียนปฏิบัติสืบๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราเห็นว่าพุทธศาสนาที่เราจะได้ศึกษา เพื่อรู้จักพ้นทางปฏิบัติในชีวิตของเราท่านก็มีบุญมีคุณประสงค์ท่านนาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำสั่งสอนเพื่อให้รู้ดีรู้ชอบรู้บาปลูกบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เราควรเลี่ยมใสอันนี้สักส่วนจัด่วนพ่อแม่ให้เลี่ยมใสในพระราชกรณไตนี่ท่านมีคุณถึงขนาดนี้พระพุทธธรรมประสงค์ เราควรเลี่ยมใส่เอาไวเป็นท th ี่พึ yeah, ่งของเราทใจขอโอกาสค่ะยังเลอว่าคนจะพูดว่าการฆ่ากับรู้ว่าฆ่าตาย่าตายนี่เขาก็ว่ามันไม่บาปเขาเริเป็นอาหารแต่แทกากที่แพทจได้เห็นด้วยด้วยตนเองนะรว่ามันมัมีบาปยัไบ้างครัาเอาวาเป็นอาหารแค่ฆ่าไดบา อันนี้ไม่ได้เพราะว่าเราถ้าพูดถึงการฆ่าสัตว์เขาก็มีชีวิตมันอย่างเราเขาก็กลัวตายมันอย่างเราทุกตัวสัตว์เล็กๆเนยน้อยอะไรมันเคลื่อนไหวไปมาได้วิ่งไปมาได้ซึว่ามีรับรูร้อนรู้หนาวรู้เจ็บรู้ป่วยเหมือนกันรู้ทุกข์รู้หิวกระหายเหมือนกันกลัวตายเหมือนกันหมดเหตุฉะนั้นเวลาเราฆ่าเขาเขาก็กลัวตาย แล้วก็ น, นอมม้องมาหาตัวเองว่าอ้าถ้าเขามาฆ่าเราเราก็กลัวตายเหมือนกันเถอะต้องดูที่จิตของเราน้อง ม, มาดูที่จิตของเราสัตว์ทุกตัวเล็กๆมดตัวเล็กๆถูกเหมือนกันถ้าเราจะไปเอามือไปจี้ตัวอะไนิดนึงมันจะวิ่งไปเลยมันกลัวตายมันอืมวันนี้เราเหมือนกันถ้าคนจะมายิงมาแทงมาฟันเราก็ต้องวิ่งหนีเราก็กลัวตายเหมือนกันเหตฉะนั้นพระเจ้าจึงจะให้น้อง ม, มาอยู่ภายในจิต ด, ดีกว่า น้องมาดูที่จิตของเราเราไม่เรากลัวตายเขาก็ต้องกลัวตายผู้นั้นจะไม่ฆ่าสัตว์เลยแม้จะสัตว์เป็นอาหารก็ตามเขาก็ต้องไม่ฆ่าเพราะกลัวชีวิตของเขาตายไปแล้วก็เราก็กลัวตายเหมือนอย่างเขากฆ่ากันไม่ลงมันเรื่องมีเมตตากันอันนี้เรื่องฆ่ากันฆ่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องของบุคคลยังไม่มีสินธรรมเขาฆ่ากันอยู่ตั้งแต่พุทธเจ้ายังไม่มาตัดสรูปเหมนมัน ผลของกรรมการฆ่า ค, คือการที่ไม่มีศีลข้อนี้หนึ่งถ้ามันจะทำให้ข้างหน้าเกิดมาแล้วก็อายุจะสั้นตายเร็วตายง่ายนั่นอย่างหนึ่งมันเรียกว่าผลของกรรมสองถ้าไปตัดแข้งตัดขาก็ ทำตาเขาอะไรอะไรในสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเห็นกรรมต่างๆที่เราทรมานสัตว์ตัดขาสัตว์เกิดมาเป็นคนขาขาดตัดแขนตัดไว้เึิดมาเกิดแขนขาดทำตาของสัตว์ทั้งหลายไว้เกิดมาเป็นคนตาบอดเอื้อเกลือคอไก่เกลือค <laughs> อไก่เขาก็มาเฉือนคอเราเข <laughs> าก็ตายเกลือคอเรื <laughs> ่อยๆค่ะ ก็เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นโรคคอผ่าตัดกันอยู่เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งเขาก็เฉียดคอที่หมอแพทย์เขาใส่สายยางไว้ปล่อยลมอันนั้นก็เป็นกรรมทั้งนั้นแหละพวกกรรมทั้งนั้นแหะนําสนองบางคนก็เป็นอะไรโรค ก, กระจอบงอกงอยอะไรแข้งขาเป็นไปบางคนก็หูขาดปากแหวงจมูกขาดมันมีทั้งพวกกรรมที่ไปทําเอาไว้ แต่ตัดปากเขาเกิดมาเป็นคนปากแรงนะแต่จมูกเขาเกิดมาเป็นคนจมูกขาดอันนั้นเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยทากับสัตว์นี่แหละสารก็ดีหรือมนุษย์ก็ดีเมื่อทากรรมมันนั้นแหละมันให้ผลแจกคนอันนี้เราต้องเป็นผู้มีปัญญาดูคนทั้งหลายที่เกิดมาเรารับผลของกรรมเขงเมื่อเราเป็นคนดีๆบริสุทธิ์เนี่ยมีหูมีตาแข้งขา บริบูรหมดเป็นยญิงเป็นชายบริบูรณ์เราบริสุทธิ์อยู่เพื่อว่าเรามาด้วยความดีเราไมา่ได้ทำสิ่งนั้นไว้บัดนี้หากเรามีบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีทั้งจริตนิสยัยเรียบร้อยแล้วเรามาเกิดในภพนี้เรามาด้วยความดีของเราแล้วเกิดเรามาทําความชั่วอีกตัดแข้งตัดขาเขาอีกไปเจาะตาเขาไปขาเขาอีกเราก็จะตกไปต่ําลงไปอีกกัน แต่ใส่กรรมนั่นแทนเขาอีกเลเป็นกรรมอีกัะพบหน้าต่อไปเราจะไม่บริสุทธิ์เดีวนี่พบใหม่เพราเป็นกรรมนั่นจะนำสนองเนี่ยพระเจ้าว่าทำบาญจไม่รับผลคือบาญเป็นเครื่องสนองนะเพราะว่าถ้าเราทำกรรมในชาติเนี่ยท่านีที่เราตายเนี่ยอไปสวรคกกรรมในนรกแล้วเล่าูในนรกัสภาพเป็นัสภาพของนรก ก็พูดถึงว่าเราจะไปชาติ น, นานารกแต่มันจะไปเลยทีเดียวเนี่ยมันเป็น อ, น, อ, อนันตริยกรรมห้าที่มันจะไปสวยทันทีเป็นกรรมหนักวัวเพื่อนครับไปไปอเวีจีมหานรกอันนี้กรรมที่เราทำเล็กเ ล, กเลกน้อยนยเยังไม่ได้รับผลบางทีเราไปเกิดพบใหม่ซะก่อนเขาะจะให้ผลตามลาให้ผลแบบ แช้งขาดขาขาดมุนหันหวาตาบอ ด, ดอ่าเราเกิดใหม่กรรมนั้นก็ตามผลให้ผลมันเราบริสุทธิ์อยู่แล้วเราไปทําเหมือนมัน เ, เกิดพวกใหม่อาจเราจะไม่บริสุทธิ์มันยังเดิมเพราะกรรมจะตามมาเนี่ฉะนั้นให้กลัววด้วยกลัวถ้าบางคนเขอ่านมาเขาทำเขาเรียรู้ไม่รู้ว่ามันเป็นก้าวอะไเงี้ยมันไม่รู้แก่ตัวที่ฟังขึ้นขเขค่ะ <c oughs> ว่ามันไม่รู้ แต่เพื่อได้เจ้าท่านกล่าวไว้อย่างคนที่ไม่รู้นั่นก็ได้รับบาปอยู่เหมือนกันนะั่นแหละแต่ถ้าว่าคนคนทําอย่างไม่รู้เลยจริงๆจ่งิงนี่ว่าทีแรกนี่ว่ามันเบาหน่อยเพราะไม่ได้ทําด้วยความโกโรธห น, กนักอด้วยเจิตนางบางทีมันเป็นคนละขั้นบาปแต่ภายหลังที่เรารู้แล้วว่าทําอย่างนี้มันเป็นบาปแต่แยงัง<ม>จงใจทาําอีกมันบาปอีกแล้วอันนั้นนิ่งบาปหนักขึ้น หนักขึ้นกว่าเดิมเดียวว่าเจตนาแล้วลนั่นแหละเป็นว่ามันบาปหนักขึ้นไปเรื่อยถ้าใครทำกรรมของใครทำไว้ก็คนนั้นเป็นคนรับคนอื่นเขาไม่รับอย่างแม่ทำแม่ก็ต้องรับกรร ม, มก็พูดถึงแล้วเราไปด่าเขาคนอื่นก็กมาด่าเราเราไปตีเขา เขาก็คอยจะมาตีเราแล้วก็ไม่ไปตีคนอื่นเพราะกรรมของเราเราไปฆ่าเขาเขาก็จะคอยมาฆ่าเราพบต่อไปแก่กันนี่ว่ากรรมเป็นของของตนสัตวที่เราฆ่าเขาก็รมาฆ่าเราไหมเราจะตายไปเป็นสัตว์จะกดให้คนอื่นฆ่าแทนอันนั้นเรียกว่าเป็นกรรมติดตามเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้กรรมเ ป, เป็นให้เชื่อบุญเชื่อบาป ต่อกับพระรันนาตนนาไตทั้งสามเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปก็ให้เชื่อตรงนี้แหละมนะันคำสอนเชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีทำบุญก็ได้บุญทำบาปได้บาปของนี้มีคุณก็มีคุณจริงของนี้มีโทษก็มีโทษจริงท่านในเชื่ออย่างนี้เลยวนะ่าข้อแรกเราลูกเป็นผู้มีปัญญาสอนพ่อแม่ก็ถามท่านบอกว่า อ่านอากเป็นเมื่อย่างนั้นอย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมอย่างนั้นนี่กรรมเป็นของของตนแม่ทําก็เป็นของแม่ไม่ใช่ของลูกอืมแม่ไปฆ่าสัตว์แม่ตายไปเป็นสัตว์ก็เป็นเรื่องของแม่อยากเป็นไม่ไม่หรืออยากเป็นมนุษย์อย่างเดิมก็ตายพ่อแม่ทําบาปนี่ให้ตายอะไรอยงีย้แล้วเราส่งส่วนบุญนี่าะจะได้รับถ้าก็ไปตกอยู่หนักมันก็ไม่ได้รับ สมควรที่ท่านมาเบาๆเจ้าขนท่านจึงจะได้รับมันสิ่งที่ควรได้รับจึงได้รับสิ่งที่ไม่ควรได้รับก็ไม่พอจะได้รับพระเจ้าไปอย่างนี้อันนี้แหละเมื่อทําทําบาปเป็นเราพยายามกุญปุ้ยสี่แจงให้ท่านฟังกรรมเป็นของของตนนะในนี้กรรมเป็นที่ขึ้นอาศัยเหมือนกับว่าเราทานอาหารก็เราเป็นคนทาน ถ้าเราไปกินยาพิษเป็นตัวตของเรากินมันเขาเขายิงตัวเองตายกับเป็นกรรมของเขายิงตัวเองตายเลยเหมือนกรรมของตนเองใครไปทํำไม้ของก็ทำเขาเองกรรมเป็นของของตนเมื่อตนเองทำแล้วจงรับผลของกรรมหลีกไม่ได้ให้หลีกรรมนั้นไม่ได้กรรมต้องเป็นของของตนกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราเกิดมาอาศัยพึ่งกรรมเนี่ยงูหัวตาบอดแข้งขาดขาขาดอะไรอาศัยอาศัยจึงกรรมจนก็ดี บางกลางก็ดีรวยก็ดีก็ อ, อาศัยซึ่งกรรมน่ะเป็นที่พึ่งกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นผู้ติดตามไม่ผลอยู่จะรวยก็กให้ผลจะจนก็ให้ผลจะทุกข์จะเป็นโรคภัยก็เก็ดมาลยกรรมพุทอํานวยเขาให้ผลกรรมเป็นผู้ติดตามกรรเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นเผ่าพันธุ์อยู่ในวงเผ่าพันธุ์ถ้าฝั่งทำไม่ดีทั้งวงตระกูลนั่กนก็ไม่ดีหมดเกือบมันไม่ดีหมดก็ ตกทุกทุกไปด้วยกันเลยเื่อกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ตกเป็นลูกคนจนมีลูกสิบคนสิบกว่าคนจนแบกหามหาบนอยู่ในกระสอบเล็กๆอย่างเงี้ยนะเกิเป็นคนทำความดีลูกคนรวยมีลูกสองสามคนบ้านใหญ่มีรถมีเรือไปมาสะดวกสบายร่ำรวยมั่งมีอันนั้นก็เรว่ากรรมดีของพวกมันนะเนี่ยกรรมมันเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมให้ผล นี่วกรรมที่สรส้างเลยเผลติดตามแต่ก็ชี้แจงให้ท่านฟังมันจะเอายังไงท่านจ้าสุกหรือท่านจะเอาทุกขเราชี้แจงนะครับคือบางนยังไม่ไม่เคยไปเห็นสภตนาพบอไม่รู้นาลุกอยากไดทราบว่าแต่เคยลงมาเยี่ยมนากงสันากนลกนั้นคือมันจะจมอยู่ในน้ามีทั้งสีแดงทั้งสีเขียวจมอยู่มุดอยู่แล้วมันมีความร วันนี้มันจมลงไปตามหลักันไปจมลงไปเป็นแสนปีจะเจ็บโผล่ขึ้นมาได้อีกแคหนึง่งมันมีหลายชั้นอนนมันมีหลายชั้นนรกมันมีความร้อนรนสัตว์ทั้งหลายอยู่ในนรกมันจะเหมือนไม่มีมึงทีเหมือนมีแต่หนังห่อกระดูกอือยู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายมันมันไม่มีอะไรอยู่ในข้องมันมองเห็นกระดูกสันหลัง นั่นก็มีเป็นกระดูกอยูเฉยตีกันอยู่ก็มีจมลงไปขึ้นมาตีกันตายตายแล้วเกิดขึ้นตีกันตายเกิดขึ้นอยู่นั้นก็น เ, นเรียกว่ามันมีตั้งแต่วิญญาณนแบบแดงขาดเรียกว่าอุปาติกะเกิดพุดขึ้นดับไปเกิดพุดขึ้นดับไปใส่ผลของกรรมไม่ลูกกี่ร้อยปีแสนปีันนั้นเ ร, เรียกว่าสร้างกรรมไว้อย่างไงทั่นว่าปานาติบา ดำหลักก็ใบเหมือนใบ ไ, ไม่ร่วงลงมาถ้าเใบไม่ร่วงลงมาก็เป็นหอมเป็นดาบมาถูกตัวเราในถ้นา ร, รูปร่างมันพวกที่ไร่ที่เล่มันก็เหมือนมนุษย์แต่มันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นข่ายเหมือนมนุษย์แต่ว่ามันน่ารังเกียจมันขอม มันไม่สงประกอบมันเป็นไปต่างๆกันอันนี้เรียกว่าคนตกเหมือนอยู่ในนรกวันนี้เรามาดูกรรมมันออกมาจากนารกถึง ม, มาเกิดทำไมบางคนขาแข่งขาสั้นขายาวขาลีบขาใหญ่หัวใหญ่ๆ ห, หัวเล็กเล็กปากเบี้ยวตาเลๆอะไ ร, ะไรพวกนั้นนะ่ะนั่นแหละเศษของกรรมมันยังไม่หมด มือก็มือขาดมือสั้นมือแขนสั้นแขนยาวอะไรเดินไปเอียงไสเอียงขัวมีมวลนะี่เศษของกรรมยังไม่ตรงอ่าเราให้ท่านฟังว่านั่นแหละกรรมอ่าไปเห็นนี่เป็นกรรมอยากเป็นไหมเดี๋ยวนี้เราก็ชี้แจงในหะ้ท่านฟังมาถ้าอยากเป็นอย่างนี้เราก็ตายไปมาเกิดเป็นอย่างนี้จะเอาเดินเอียงไสเอียงขัวเล็กแข้งขาเป็นอย่างนี้มืตาบอดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กรรม เศษจากนรกมาแล้วพ่นจากนรกมาแล้วมันเกิดเป็นมนุษย์งี้ยที่อาจจะพ้นจากสัตว์ดิแรนา์มาก่อนออกจากสัตว์ดิแรนา์นั้นจึิงจรเข้ามางป็มนุษย์ที่การอยู่ที่คนที่การไปตายไปอีกอีกหลายชาติตัวจะบริสุทธิ์มันยังเดิมขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละกรรมให้ผลแล้วก็ชี้แจงให้ท่านฟังนี่เรียกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านชี้แจงพระพุทธเจ้าท่านเป็นมาก่อน ท่านรับขนมาแล้วท่านจึงมาสอนขนท่านสู้มาแล้วท่านเป็นนกเป็นหนูเป็นสัตว์จะสารตกรกประเวจีอะไรท่านเล่นมาทำมาหมดทุกอย่างท่านมองเห็นเนี่ยที่ท่านปุเพมีวาสารนสติยานท่านเขียนู่มองเห็นศาสตร์กุบหลังได้ว่าเป็นอย่างนี้น่ารอยศาสตร์ทำศาสตร์คือดีอันนี้แหละแล้วชี้แจงให้ท่านฟัง่ามีกรรมอย่างนี้แบบพิจารณาถึงกรรม เหตุฉะนั้นอะไรแบบี่เรามีปัญญ า, าเนรามีปัญญาเรามาพิจารณาอีกมุมหนึ่งมุมหนึ่งถ้าเรามีปัญญากับพ่อกแม่ท่านไม่มีศีลนี่แหละเราก็คุยกันเรื่องศีลเรื่องมันเป็นร่างกายเป็นปา ตัดข่ามนุษย์ก็ดีตา่ตางๆมันก็เป็นบาปเกิดขึ้นข่ามนุษย์ด้วยการคนไม่ได้เห็นว่ามันปยัดปะหยัไหนยากมีข่าตัดเล้กว่าอะไรยหรือว่าอยหาว่าจะเป็นน้ำหาในบาปบาปมันกันนะจิตวิญญาณมันก็เหมือนกันและมันมีความทุกข์ตมันอาฆาตเราดึงเป็นีเราโดดมันก็ต้องเกิดเปลี่ยนเหมือนกัน มันจิตวิญญาณเดียวกันสัตว์ทั้งหลายมันไม่หนีไปไหนมันความรู้ร้อนรู้หนาวเหมือนกันรู้เจ็บรู้ป่วยรู้หิวรู้กระหายเหมือนกันรู้กลัวคนตายเหมือนกันมันก็ต้องเหมือนเหมือนเกันบางทีดูเราจะไปฆ่าถึงนักมันจะเอาเล่นงานเราก่อนนล้วงูจะไปพอจะไปตีมันมันจะเล่นงานเราก่อนแล้วมันก็โกรธมันก็เหมือนกันกับคนเราวันนี้จะไปตีก็ต้องตีก่อนนะ เหมือนนักหน่วยกว็ตีกันเอาแลกกันอยู่อย่างนั้นอะไเงีมันก็เหมือนกัน น, นั่นแหละมนะันอยากให้ท่านมีศีลท่านไม่มีศีลที่เราแนะนําสั่งสอนให้ท่านมีศีลศีลตัวปานาใ้ท่านมีเมตตาใหท่านมีศีลในข้อนี้ไม่ทำฆ่าสัตว์เพื่อจะได้อายุยืนนานในกบต่อๆไปก็ดีนี่ข้อสองไ ม, ไม่ให้รับทรัพย์ไม่ให้เอาสิ่งของอันา น, า น, านั้นอันนี้ ถ้าเราเห็นสิ่งของในวัดในวาก็ดีหรือในสิ่งของนั้นใดเป็นของคนที่มั่งแหนอยู่ของเก่าแค่ไหนก็ช่างลักษณะพระเดจจานั้นไมห่หยิบไม่เอาเห็นออของตกอยู่ถนนห น, นทางพวกนี้ถ้าตามระเบียบของคว่ำบริสุทธิ์ทุกคน เ, นเงินรองตกตามถ น, นนหนทางเลยเขาจะไม่เอาเลยเขาต้องเอาไปส่งเหมือนคนดียวไปส่งตำรวจจึิงเลาการหาเจ้าของ เดียกว่าคนนั้นเป็นคนรักษาศินข้อสองนดีเยี่ยมมันเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามถ้าเขาได้กระเป๋าของคนหรือบัตรประชาชนบัตรรถกุญแจรถนี่ไปฝากตำรวจเรียกว่าคนนั้นเป็นคนที่มีสินข้อที่สองอย่างดีมนุษย์เราเนี่ยแต่เป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามแสดงว่าเขาเป็นศินข้อสองเขาดีเยี่ยมเหมืนเราละลึกถึงคนอื่นอย่ามีความทุกข์ใจ เขาก็มีเมตตาเาก็ไปฝากตำรวจในตรงแบงบแบตบตายเาจะของมารบัรบเอาเขารักษาศีลแล้วคนจะไม่ให้รักของคนอื่นแตน่คนข้อที่สองนี่ถ้าเรารักษาได้ศีลเราไม่รักของใครถ้าเกิดมาชาติใดพวกใดนี่อั น, นิสงส์ของไม่เอาของวางไว้ที่ไหนไม่มีขโมยรัก แด่การอย่างเราไปวัด่ไหเราไม่ได้เตะดอกไม้ทุเพียนไปอะไรเนี่ยได้เราไปเตะดอกไม้ในวัดเนี่ยแต่ไปบูชาพระเนี่ยเราบาปไหคะไอท่านดอกไม้ในวัดเราไปบูชาที่ในวัดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้รับกันไหนเอาอฮะเราไปเอาดอกไม้ของวัดมาเา่อาเนี่ยอันนั้นก็คงจะไม่ดีเราต้องขอใชก่อนเป็นบาปนะแล้วเรากมมันก็เป็นบาปเหมือนกันนะมันพูดของวัด มันเป็นของวัดแล้วเราเราควรเราควรที่จะขอท่านของวัดนั่นเป็นอันตรายของเก่าของแก่ของอะไรอะไรทุกอย่างในวัดที่พูดถึงว่าถือว่าเป็นของสงฆ์เนาะต้องถูกการรับอนุญาตมันเพราว่ถึงภิกษุนี่เป็นของครูพันครูพันเป็นของครูพันเป็นของสงฆ์เนี่จะให้คนคนนี้ไม่ไม่ได้เลยทีเดียวต้องตกลงสงฆ์กันให้เรียบร้อยให้คนปรดืษฐ์ องมาหนึ่งอย่างขนาดของชายขนาดนี้กันเหมือนกันถ้าเป็นของส่วนตัวจริงจึงจะแลกกันได้แล้วคนที่จะโยมที่จะซื้อของมาแลกก็ อ, อยากได้ของนี่แหละเป็นของพระโดยบุคบุคคนเหมือนกันต้องซื้อสวยๆคนนี้ดีคนนี้มาแลกจึงจะเอาให้ก็ไม่มีใครจะทำลนะ ถ้าไม่ใช่คนมีศรัทธาใช่ไหมจะซื้อของดีๆมาแลกเอของที่ไม่ดีไปนี่มันก็ต้องมีคนมีใจมีบุญานะที่ยวมุระเจ้ทาท่านทำเลยไหมมีดมีดเล่มนี้โอ้อยากได้มีดอยู่ในวัดเหมือ น, นมันฟันดีก็ต้องไปซื้อมีดดีๆกว่านี้มาแรกเอามีดเล่มนี้ไปจริงจะให้ไปนั่น่ยงนี่ถึงแค่นั้นนะพระเจ้าตนอย่างเราไปวัดที่เราเห็น ตู้เก่าๆกันนะแต่ทีนี้ตู้นี้มันมีคุณค่าเว่ามันเก่าเราไม่อยากไปได้แล้วก็ไปซื้อตู้ใหม่ซึ่งราคามันก็แทนตัวตู้เก่าสมัยโบราณแต่ทีนี้เจ็บเจีนาเพื่อที่จะได้ของเก่าอืทัะนั้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรเดะะ็กมัก็มีเจตนาที่มีเพรว่าสําหรับคนที่ให้นะ็นตู้ใหม่มีคุณค่าน้อกว่ตู้เก่า ถ้าพูดถึงนัเราคิดคุณค่ามันตามคนนิยมใช่ไหมตามคนนิย อ, อันนี้หลักหลักมันถ้าคุณค่ามไม่แพงแต่ก่อนแล้วคุณค่าของมันคุณค่าของเราไปแลกเหมอนใหม่จากหรือมันอะไรรก็คงไม่มีปัญหาเพราะพระพุทธเจ้าวางให้เป็นของใหม่จะเป็นของดีนั่นก็เป็นของดีกว่าอยู่แต่แม่ตึดราคาไม่เราเราไปยึดราคาของโบราณเฉย ในเหมือนทองคํามันถ้าทองอาจารยเป็นตู้เก่าไปนี้เอาไปขายได้หลายรอบเราไปขายก็มันี่เป็นันมันมันเป็นมันเป็นความนิยมเฉยๆนั่นกพระเจ้าท่านก็ไม่ว่าท่านจะว่าจะเป็นอย่างมีดอย่างนี้ก็เหมือนกันของชายในวัดอาจจะเป็นอย่างทองคําอย่างนี้มันก็ไม่ไม่ใช่ของวัดหอรอกไม่มีซะที่มีคุณค่าที่จะ ว่าของเก่ามีคุณค่าตัวท่า น, นพูดถึงมีดถึงเสียมถึงจอบถึงเครื่องชายในวัด<ไ>ปเป็นกมอะไรเป็นไม้อะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นหวายเป็นอะไรของแหลบนั้นไม่ได้คิดถึงมันก็คงมีเหมือนกันนะตู้ตีอะไรก็อลไรในสมัยขั้พุทธกาลใส่ของก็ต้องมีเหมือนกันนะ่ะอีมือของเขาอากจะถามอีกเร้่องนงเะี<ม>ยั ง, ยงวัดซ่อมซ่อมวัดอะไรอยี้ยซ่อมโบดถ์ะอะไรแล้วก็ เาก็ลืมมามันมันเป็มา แ, แล้วเราก็ไปขอให้คนวัดก็ตอบเป็นเก้าอี้เล็กๆอะไรย่างี้ยแล้วเราเาไปบ้เราบ่ามันเป็นของที่เรินแล้วแต่เราไม่ได้ขออาเราเอานไปเพ่อเนขอให้นหไม่ดี ม, ดมันกันน ะ, นะของวัดทุกข์ก็<ต>ได้เราควรจะขอจขอหรือว่าเราจะอําเงินหรืออะไรให้ท่านอย่างเี้แล้วแต่ว่าทำบุญอะไร หาไม่ใหม <har S> ่ <three. S 2> หรือหาไม่ใหม่ดิทำนี่หาเราหาทิ้งเข้าทิ้งอยู่แล้วหาไม่ใหม่ไปช่วยท่านอย่างนี้กันเห็นเครื่องครื่งแรกกันแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เอาจริงๆโดยเจตนาลักันเพราะนั้นก็ยังที่ก็ค่อยเบอกไปหน่อยก็ถึงว่าถ้าเจตนารักอยู่มึงไม่ได้หรืออะไรก็ไม่ไม่อย่างนั้นทาโดยในวัดมันเป็นอันตราย เป็นอันตรายเจเราจะไปตายไปเป็นเปรตข้อวัดนี่มันมันลำบาก่อเหลลาวม้มาะไรอุมไม้ว่งล่อมาที่ก่อนอักขนไม้ก็แข็งกิ่งไม้อยู่เป็นเปรตอนในวัดพิษสูนี่ก็พระยิ่งอันตรที่เป็นอยู่ในตามวัดเนี่ยตามวัดตําวาวัดล้างต่างๆพระนี่มันเป็นเยอะเป็นเปรต เ ย, ยอะแยะเลยเนนมุนอ ย, ย, ย, ยู่แยะเพราะมันเอาอย่างนี่แหละที่พูดกันบางเนมันเข้ากันรับพุทธลูกกับคนภายนอกส่งพุทธลูกให้อย่างนี้เป็นเนนอยู่ในวัดเป็นพระแล้วก็ไปขายอย่างทุกวันนี่ใช่ไหมข<ช>ายเอาเงินร่วมใจกันรักของสงฆ์บาหนึ่งแล้วกันอย่างนั้นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ห่วงสิ่งของว่าได้สิ่งของอะไรไม่แจกไม่แบ่งใครเอาแต่เป็นของตนหมด มันไี้เอาเป็นของตนแล้วก็ไปให้คนยากไม่ได้แจกแบ่งภิกษุเพื่อเป็นความเมตตาเกเพื่อนสหอาดทำมิกด้วยกันเวลาตายไปแลวมันรับผลบาปทึ่เเจ้าของจะเหมือนพร ะ, ะกระพิลาภิคูลเนี่ยดาพระเนนจะได้ไปเป็นตายไปเป็นปลาตะเพียนทองมั น, มนก็อย่างนั้นนะกรรมไม่ใช่ของเล่นดาภิกษดุดาไม่ถูกก็ไม่ได้มัน ดาดาเลือดเปื่อยไปไม่ได้นะตายไปเป็นเป็นตกนรกแบบเบีจีไม่ใช่เล่นดดาพิกษุต่อพิกษุต่อพิกษุอาจารย์นังดาลูกศิษย์ทีนี้ถ้าเปิดภิสูจที่เราด่าที่พระอาจจตายองค์เนี่ยือองค์แรอาจจะไม่ดี้าด่าที่จะเป็นบาปอือนั้องค์ที่องค์ที่ถูกด่าไม่ดีมันมันก็ไม่บาปกันไม่ดีจริงเพราะ มันไปโดนที่องค์ที่ดีนั่นสิเขาแต่ลประจาใครได้เขาเองแตแล้วว่าท่านดีดีอยู่แต่เราว่าท่านไม่ดีคือเป็นนักธรรมกระทรึกนักเทศนี่นะแล้วพี่ชายเขาเป็นเป็นเทศพระสุธรรมพี่ชายก็ซื่อสุธรรมในสําเร็จเป็นพระละหันบวชวันนี้น้องชายนี่เป็นนักเทศเขาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัด พี่ชายก็เป็นนับปฏิบัติเขาไม่ทำถือเท่าไหรอะไรแบบนี้น้องชายเป็นผู้บริหารพี่สาวก็มีแม่ก็มีอั่นี้ก็พร้อมกันพี่สาวก็พร้อมแม่ก็พร้อมว่าพระเองในวัดใหม่ดียังนั้นี่จมตีทั้งพี่สาวทั้งแม่บางทีก็หาเรื่องเลา่าเวลาลูกชายเจ้าขอไม่อยู่หันจังหันไปจิตอย่างอื่น อันนี้พระ ส, ส, ส, สุธรรมที่เป็นพระหันนั่นหนีไปอยู่วัดอื่นนั้นไปเที่ยวอยู่างนี้เจ้าข้าวเหมือนข้าวเาจ้าหรือข้าวเหนียวไปไปสมน้ำหวานใสไปตามสานระเพื่อนเปอะหาว่าพิษสูตทั้งหลายไม่ทําความสะอาดอย่างนั้นอย่างนี้เวลาลูกชายตนมาอบอกนั่นลูกชายลูกชาวก็ด่าพระเนนด่าไปที่เท่ากันพี่สาวก็ทําเหมือนกัน แต่ทํำแค่นั้นแต่ไม่ได้ดา่าแต่ลูกชายพี่เป็นคนดา่าที่แลตายไปแล้วเหมือนพี่ชายก็ก็ได้เป็นพนระนัหันเมื่อตายไปก็ไปอยู่นิพพานใช่ไหมจะรู้จักว่าพี่ชายไม่ไปนิพพานจับวันนี้พี่สาวตายไปก็ไปตกนรกอยู่ชั้นหนึ่งวันนี้แม่ตายไปไปตกนรกต่ำกว่าที่ลูกสาวเจ้าของลูกสาวอยู่บนอื มันนี้แม่ก็อยู่ชั้นลึกลงมาอีกวันนี้ตนเลียงตายลงไปไปอยู่ชั้นลึกลงไปกูแม่มันเจ้าวาดอ่าภากับพิลาพิคุทำไมเมื่อเน้นว่าผู้ที่ทํความเดิมๆนี่ก็บาดอันนี้ก็ตัดเอาเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุยนี่ไปให้จบทิ้งห้าคนก็ได้กอจะได้กัญญาไปให้แม่ตาม บันนี้เมื่อเราพูดถึงศีลพูดถึงศีลให้ท่านรักษาศีลใ น, นรับการอย่างที่สุดท่านในรับบาสนะับาสรับกลับนี่ ว, ว่าศีลดังครับมันก็เป็นเรื่องของกลับนั่นแหละมันบาปลงไปอย่างนั้นแนะพี่สาบาปววแม่บาปลูกชายบาปตายไปแล้วไปตกนรลกอยู่ออกจากนโลกก็มา เกิดเป็นปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนทองนั้นเมื่อเขาทำลากอวนได้ตัวมันสวยเจ็ดมันเหมือนทองเหลืองสวยแต่ปลามันเหม็นไม่มีใครเข้าไปใกล้ได้เพราใส่เรือมาอาจจะขายใครก็ไม่ซื้อไม่ได้เว่าเห็นว่า คนทั้งหลายก็กล่าวเล่าเรืองจนถึงพระราชาปากปาจนนั้นทําไมมันปากเหม็นจริงๆเนี่ยใครเข้าไปใกล้ไม่ได้อยู่ในเรือนนาครับใช่ร่างกายได้เหมือนเหมือนกับว่าเจ็บเจ็บกองวันนี้าปากทีกไ่ไปด่าคนอื่นนี่ก็เหม็นจนคนเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยปาจนนั้นเป็นปาก ก็เลยพระราชาเรียนพุทธเจ้าสามพุทธเจ้ามันเตีพระเจ้าข้าปลาตัวหนึ่งก็ได้มาแล้วโอ้ยเจ็ดมันก็สวยตัวมันสวยมันทอ ง, งแต่ปลามันเหม็นเกาไปใกล้ไม่ได้เลยมันเหม็นมากแล้วมันมีครมมีอะไรอย่างไรกรำเวรของเขาสร้างมาอย่างไรพุทธเจ้า กุทิเจ้าก็เลยเล่ามาอย่างที่เล่ามานะั่นสมัยท่านท่านบวชอยู่เป็นธรรมกะทึกท่านเข้ากันกับที่สาวกับแม่ท่านแตท่านก็ด่าพิกษุสัมมณีนิวนัใน์หาเรื่องหาลาวด่าพิกษุมั่นก็เลยเป็นบาปถ้าพูดถึงมหาวิษยังไม่เชื่อจะมาอยากลูกกรรมเร่อของจริงๆพระเจ้าข่าวนึงพาสาน ถ้าอย่างนั้นเราจะถามปลาตัวนี้ให้มหาบุพเพฟังแล้วมาให้เขาตอบมาตามคำถามของเราเดียวก่อนปลาทะเบียนทองตั้งแต่ก่อนเธอเป็นกับตีลาปิกูใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าปลาก็พูดได้ปลาก็พูดได้เลยแล้วทำไมเธอจึงได้มาเป็นปลาอย่างนี้เพราะข้าเปเจ้าตัวดาบพิชุ สงสมนเนินทั้งแม่ตาป้ากอดีพี่สาวก็ดีแต่พี่ชายก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ชายของเธอไปที่ไหนลรอพระสุธรมไปพระนิพพานแล้วพระเจ้าข่าวพี่สาวของเธออยู่ที่ไหนอยู่นรกนะ้าแม่ของเธออยู่ที่ไหนอยู่นรกลึกลงไปอีก เธอแล้วไปตกนรกไปตกอยู่ที่ไหนอยู่ลึกลงไปกว่าแม่อีกก็เลยออกจากนรกนั้นมาแล้วก็เลยมาเป็นปลานี่พระเจ้าข่าวนั่นแหละกรรมที่เราสร้างไปมันเป็นยังไงเวราชาก็นั่งฟังอยู่รัมริวันแล้วถ้าเธอตายไปอีกแล้วเนี่ยจากปลานี้เธอจะไปไหนจะลงอเวทีมหานรกอีกพระเจ้าข่าวก็เลยน้อยใจน้อยเนื้อต่ําใจ เก้าหัวตีลำเรือนึให้ตายอยู่ในเรือน่กับทีนั้นเวาซาก็สิ้นองใสในกรรมของปิ๊กสุกที่ได้ทำเลยจะลงเลยอมจีนรกอีกนี่ยังลึก ล, ล, ลงลึกไปอีกทีหนึง่งาะยังไม่พ้นทำไมตัวของเ ข, เขาเขาจึงได้เป็นสีทองก็เพราะอนัตาณนิสงส์ของการบวชเท่านั้นแหละเป็นเครื่องประดับของผ้าเหลืองเนาถ้าเขาไม่ดา่าคนอื่นเขาก็คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ตกเป็นกรรม อาจารสมมติว่าใครเคยด่าไว้ในอดีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเกิดเกิดจะทายังไงถึงจะล้างกรรมได้คะเขาด่ากันเหมือนเราไปด่าเขาเขาก็มาด่าเราอยู่อย่างนีคุณผชม่สมมติว่าบางคนยังเคยร่วมเกินต่อพระสงฆ์เลยแล้วเขาไป่กลาว่าพระสงฆ์นั่นจะดี่าพฤติกรรมของท่านมันมันทาให้คนอินทางอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวี้จเป็นบา ถ้าพูดตามธรรมดานะถ้าภิกษุไม่ดีเป็นให้เตือนได้แต่เราไม่ถึงด่ากันให้มันวุ่นวายจริงคิดจะด่าเลยค่ะไปนินทาอะไรอย่างน้ินทาถ้าไม่ดีจริงๆก็ดินทาได้มันไม่เป็นไรถ้าถ้าถูกภิกษุดีๆเป็นนินทาไม่ได้เป็นอันตรายเลยเป็นไฟครับเป็นเล่นกับไฟเลยทีเดียวเนี่ยนั่นแหละ อย่าไปรุ่งยุ่งกับไฟแท้ที่จริงถ้าท่านไม่ดีก็เราถือว่าท่านไม่ดีซะดีกว่าเราก็ต้องไม่ตรงไปเล่าท่านเรื่องของท่านท่านจะท่านจะไปนรกเป็นเรื่องของท่านเสียท่านบวชมาแล้วท่านไม่ปฏิบัติดีท่านจะไปนรกก็ให้ท่านไปเสียเราก็ไม่ไม่ควรที่จะไปคุยกัน ainsi, ดีกว่าที่เป็นดีที่สุด เ, เอาวงนี้ปฏิบัติไม่ดีเลยผมอยากลงนรกคนเรียมของท่านท่านทำไมท่านบวชมาแล้วหลอกหลอกว ง, งท่านไม่ได้เอาจริงอยู่ ท่านก็ต้องถตงนะโรกของท่านเองมันถ้าเรามาคิดจึงท่านมันมันก็แล้วไปมันอันนี้อย่างหนึ่งถ้าเรามาพิจารณาที่เรียกว่าพูดถึงถึงกรรมนี่จนั้นแะ่ะถ้าท่านไม่มีศีลเราจริงอยากให้ท่านมีศีลข้อแม่ไม่มีศีลห้า ถ้าสินข้อที่สามท่านร่วมเกินอยู่และมีภรรยาของคลอื่นอยู่ก็พยายามที่จะแนะนำคำสอนท่านมาให้ท่านทำอย่างั้เพื่อท่านจะได้เป็นผู้มีสิ่งเนอะประจุงท่านท่านมีมิจฉาทิฏิเวลาท่านพูดโกหกหรืออะไรพูดส่อเสียดท่านนั้นคนนี้แแตกสามังคีกันอยู่พูดนคำหยาบด่าอย่างนั้นอย่งนี้ด่าสาดด่าตระกูลด่าเพราะนั้นคนนี้บุ่วายอยู่ คำไม่พวะมนันสนองหูนี่ล้วก็บอกท่านไม่ให้ท่านทำใม้ท่านพูดมันห้ามท่านให้ท่านพยายามพูดคําซื่อสัร์พยายามพูดคําให้คนสนิทสนมกลมเกี่ยวกันทั้งวงตระกูลก็ดีหรือคนอื่นก็ดีแล้วก็สอนท่านได้ในอย่างนี้เรียวกว่าเราแนะนำท่านถ้าท่านพูดคําหยาบล้วก็ว่าให้พูดคำดีๆกัน เพือเพาะสนองมันอยู่ด้วยกันมีคนสุขกันทั้งลูกทั้งเต้าทั้งงูระปูที่หมู่บึแล้วก็สวรรค์ท่านเพราะเรามีปัญญาตัวเรียกว่าลูกมีปัญญาของพ่อของแม่ต้งสอนพ่อแม่ไปจําเพราะพ่อแม่มันคนคือเราไปเกิดด้วยเพราะสถานของการสร้างบุญมีมีสมบัติอยู่แต่ปัญญาไม่ได้สร้างมากเหมือนอย่างเราปัญญาเราาังศาสนาความฉลาด แต่บุญมันได้ทําด้วยกันมันได้มาเกิดด้วยกันได้เพราะมันมีเงินมีท้องเสมอกันมีรถมีเรือมีบ้านเสมอกันเรามาเกิดได้แต่ด้านปัญญาของเราเป็นมันเหนือกว่าแล้วก็ต้องสอนท่านต่อสากส่วนท่านทำบมุมดีอันนี้เรียก ว, ว่าเราไม่ท่านมีสิทธิ์ท่านกินเหล้าเมายาอยู่อะไรอะไรเลี่ยงไข่เลีมโปอะไรทุก อ, อย่างที่ไม่ดีแล้วก็สอนท่านเลยไหมยไม่ให้ทํานทำ ท่านเป็นคนมีศีลถ้าท่านมีศีลแล้วเราเห็นว่าท่านเป็นคนมีศีลเล้วมีศีลดีเลยแล้วสอนให้ท่านบริจาคทำบุญทำกุศลตามกำลังที่ทไม่ให้แต่มี่เนาะเนี่ยมงเห็นทรัพย์จมบัตรเหรอเพราะแม่นมีเงินมีทองเท่าไหร่ก็ไม่ได้สร้างงามกลมดีอะไรไว้มึงเห็นด้วยเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้ออกไปด้วยเงินเนี้ยเงินเป็นของใช้ของเลี้ยงตนเอง เวลาเจ็บป่วยก็ให้แพทย์หมอรักษาเวลาจะ อ, าอยู่กินอาหารก็เป็นซื้อกินเครื่องนุ่งเครื่องหอง่มสร้างบ้านสร้างช่องอยู่มีรถมีเรืออยู่เครื่องนุ่งเครื่องหอง่มสายสอยอะไรเงิน ม, มันมีเพียงแค่นี้แหลนะทาบุญงามคนดีช่วยหมู่ช่วยปุ้งทาบุญทํากุศลที่มันจะตามเราไปนิบเราสร้างควดีเท่า น, นั้นสับแะมีมากเท่าไหร่ทิ้งไวรธนาคารมันก็อยู่นั่นแหละเอาตายไปแล้วเรา ถ้าสิบเจตามก็ใสม่มือมันก็ไม่กรรมหรอกคนคนหนึ่งเงินแล้วก็บอกท่านควรทําบุญไหว้ตามตํากลงบางคนมันตนหนีจริงๆนะ้เอาออกไม่ได้จริงๆมันมีเป็นลอยๆ ล, ะ ล, ะ ล, ะ ล, ะละ่างอะไรเนี่ยบางคนทำบุญแล้วไปมือบริจาคแตใจไม่ศรัทธายไม่ได้บุญคือได้มันได้น้อยไม่เต็มมันนะทำบุญมันต้องเต็มใจให้เงนเราจะให้บาทหนึ่งก็เต็มใจหน่บาท เราจะให้ห้าบาทนั่ น, นนี่คนอื่นว่าเอาสิบาทสิบบาทหาทนึ่งห้าบาทหนึ่งมันเต็มบริบุญณห้าบาทหนึ่งมันไม่เต็มเพราะเราไม่อยากให้มันถ้าเราไม่อยากทานเราไม่ทานดีกว่าเพราะมันไม่บุญไม่ได้มากมันถ้าเรามีพอใจจะทานจริงทานไปจริงได้บุญจะได้พักเซตหนึ่ง ข, ข้าวคำหนึ่งก็ดีก็ดีจ้าเงินบาทหนึ่งสลึงหนึ่งอะไรก็หนึ่ว่ามีความพอใจนี่มันจะได้บุญหนึ่งมีความพอใจที่จะให้เรามีแค่นี้ เราก็ให้แค่นี้เนี่ยก็เคารพของทานเนของถวายด้วยความนอบนอ้อมผู้รับของทานนั้นแม่มันผักเส้นเดียวเข้าตํานึ่งก็ต้องเคารพเคารพของทานท่านโยมพร้อมกันนั่นละมีบุญมากทุกคนทุกเคารพด้วยคนนอบน้อมต่อกันเร้ยว่าปฏิฆาหกสะายกเพืให้ทานย่อมมีความเคารพในบุญของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นมีอ น, นิสงส์ใหญ่ปริจาคอันนี้เรียกว่า เราบริจาคทตามกำลังของเราที่จะทำได้ทำบุญนี้ต้องฉลาดถ้าเราทำมากเกินไปมันจะทำให้เราลำบากต้องรู้จักแบ่งทรัพย์ทำตามกำลังที่จะทำได้ทำบุญไม่ใช่อะไรจะทำหมดจเจอของหมดจนจนจพุกอยไม่ได้ทำบุญแต่ต้องทำตามกำลังที่จะทำได้ที่จะพอเหมาะกับกำลัง วันนี้เราแล้วท่านบอกท่านเรือท่านไปในปรงเทศต้องทคำชวนมีกูบาจาำเทศธรรมธทัพโมยอยู่ที่ไหนชักชวนท่านไปฟังท่านไม่อยากไปก็ชวนอยู่นั่นแหละชวนไปฟระเทศดึงไปดึงมาะชวนไปไปฟังประเทศเชื่ก่อนจบเชก่อนเอามาถ้าเรามีรถก็นั่งรถไปถ้าไม่มีก็ชวนเดินไปขึ้นรถขึ้นเรือไปชักชวนไป ท่านท่านด่าแล้วจะไ ป, ไปแล้วอย่างงั้นยังนี้ใช่มันชวนอยู่นั่นเนี่ยเพราะเรามีมีกระตันยูกตารีทีต่อท่านต่อมีปัญญาต่อท่านจะจะไปมันชวนไม่หยุดไม่หย่อนไปกับเขาสักครั้งหนึ่งพอเริม่มไปฟังทำนั้นท่านจะเข้าใจก็อา น, นิสงฟังทำนั้นมีหนึ่งเราจะได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอา น, นิสงสอ ง, ส, องสิ่งที่เราเคยฟังแล้วเราไม่เข้าใจเราจะเข้าใจในสิ่งนั้น สามคนได้ฟังธรรมย่อมมีพื่มพิจิหมายความจงใสยมันมีพื่มปิจินนสสินดีในธรรมเป็นอย่างนี้สี่บุคคล น, นั้นย่อมมีปัญญาเมื่อจาว่าข้อธรรมไปปฏิบัติย่อมรับผลคือความดีหน้าการบุคคลที่เขาลบยังไม่ได้ก็ยังมีอนนี้สงสิไปสุกติอยู่ยาการเคารพธรรมีมีถึงขนานั้นวันนงอันนี้นสงสิต้องการบำธรรม วันนี้เมื่อท่านได้ฟังทำแล้วท่าน จ, จะมาอ่านของท่านเองในข้อนึงบอกให้จําเราสักข้อเดียวเท่านั้นเนีะยมาไม่ต้องเอามากไปฟังเทยถ้ามึงผู้มีปัญญามากเอาสักสองสาข้อฟังไม่ต้องเอามากแล้มาคิดให้กี่ข้วนมาตงค่อยฝังคิดต่อไปวันนี้ท่านไม่มีปัญญาบัณฑิต ที่จะนาสำคัญจะขวามโวยแม่นี่เข้าเลาได้หนึ่งอายุเจ็ดสิบแปดสิบหรือหกสิบขึ้นไปเจ็ดสิบขึ้นไปแปดสิบก็ดีเท่าแก่แล้วเดินก็ลําบากนั่งนอนไปโน่นไป น, กก น, ไป น, ไปนี่ลําบากเท่าแก่ดุกระโวยนั่งก็โวยแล้วไปนั่นไปนี่ลาบากแลยถ้าท่านแข็งแรงอยู่ท่าจะปวดพระตนเองแขงแรงแข็งแรงอย่างไรมันไม่เหมือนคนหนุ่มเขาแก่แล้วอูเราก็ว่า คนเท่าคนแก่ควรเข้าวัดฟังธรรมจำศีล ค, คนว่ากันอ่แล้วก็สอนท่านอถ้าถ้าท่านเส<ม>ียญาตหาว่าเป็นคนดูบ้านอะไรเนี่ยไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้อย่างงั้นคนอื่นเขาก็จะดูลงเวลามีช่องว่างแล้วก็ให้มีพี่มีน้องไรพี่น้องดูไวบ้ บ, า บ, า บ, าบา้างบาางก็ขอให้เป็นตังธรรมสักหน่อยหรือจะปฏิบัติสักหน่อยแม่ต้องทําคุณงามความดีนะเท่าแก่แล้วนะลูกเต้าก็ใหญ่มาแล้ว พอเรายังบางทีก็ให้เราีรักษาบ้านในะท่านไปปฏิบัติลองดูแทนท่านลองดูสึกทีให้ท่านไปเวลาแม่ร่วงลับดับไปแม่เฉาอะไรเป็นที่พึ่งให้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ไม่ทําความดีไม่รักษาสิ่งจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งอาอหากคนไม่มีที่พึ่งมีคนาทุกข์นะใจมีคนาทุกขวุ่นวายพนระเ<ม>จ้าท่านว่าอย่างนี้เราก็ต้องหาที่พึ่ง แม่ไปก็จะไปคนเดียวนี่มืนจิตตาวิญญาณจะนําคุณงามคนดีถ้าแม่ทําบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอืเป็นโจรเป็นขโมยกิดสิน ร, รมอยู่นี่แม่จะรับกรรมคนเดียวนี่จิตจะรับกรรมคนเดียวไปสู่ทุกข์ถ้าแม่ทําบุญทำํำกุศลจิตก็จะรับคุณงามคนดีไปสู่สุขอันนี้ลูกจูงแม่จูงพ่อจูงแม่เพื่อจะให้พ่อแม่ไปสู่สุขกติ เรียกว่ามีปัญญาจูงพ่อจูงแม่เรียกว่ามีปัญญาเหนือกว่าจูงพ่อแม่ไปสู่สูงจึงถือว่าลูกคนนั้นเป็นคนที่มีปัญญาเหนือกว่าพ่อแม่พ่อแม่ทำไม่ดีีว่างไม่ได้ไม่บาปเพราะเรามีปัญญาเหนือกว่าที่ถูกต้องอันนี้ไม่ดีกินเหล้าเมาไม่ดีไม่ดีกินเรา เ, เ, ร, าเราไม่เคยกินมันบาปมันจิตศีลเราว่างไม่ได้ไม่บาป ถ้าเรารู้ว่ า, าพ่อแม่ทรับผิดและเราไปไปเตือนท่นเองเร า, าก็มีหน้าก็ ต, ต้องเตือนดีกว่าฮะท่านจะด่าเราก็ช่างเราก็เฉยเพราะเเตือนคนดีเนี่ยแล้วทานจะดาจ่าอนี่ยท่านยิ่งจะมาสอนเราเปิดมาทีหลังอย่างนั้นนี่ทนจะพู ด, พดเป็นลูกยังมาพูดเราเลี้ยงมันใหญ่มาแล้วมันจะมาสอนเราทําไมอาจจะเป็นไปอย่างนั้นคนมีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมพ่อแม่อาจจะเป็นเป็นอย่างนั้นมาก ตั้งแต่ฝ่ายนักบวชก็เหมันกันบวชอยู่แล้วแท้ๆมันไปสอนพ่อแม่เขาก็ยังอย่างไม่เชื่ออยู่วันบวชเป็นสิบปียี่สิบปีเลยเพราะเขามีจิตจิตเพราะว่าเป็นลูกเขาเป็นหลานเขาอย่างนั้นอย่างนี้องเหมือนกันส่วนเป็นฆร า, าวาสเหมือนฆรวาสเหมือนกันยิ่งจะสอนกันลําบากเลยตั้งแต่พระแค่นี้สมัยห น, นึ่งพี่นี่พูดถึงเป็นปุกคลาที่ฐานแม่ทมําไหมทําผ้าไหมนี่แหละ เลี่ยงมอนเขาเลี่ยงลูกเลี่ยงมอนที่เขาเลี่ยงทำไหมเป็นเครื่องทอไหมอยู่ทุกวันทำไหมแม่กำลังทำเส้นไหมอยู่ในบ้านก็เอาฝักที่ตัวไหมมั น, นอยู่ในนั่นเอาไปลงในน้าร้อนแล้วก็กำลังมาเส้นไหมสาวสา ว, วสาวเส้นไหมครับบัณนี้ลูกชายบวดอยู่ในวัดเป็นอาจารย์เนีน้ฟัง นั่งฟังเสียงเด็กร้องให้สนั่งวันไหวอยู่ม่ไม่ลูกเป็นสิบสิบเสียงคนร้องให้เ้อมันร้องให้อะไมากมายในบ้านลูกก็ได้ยามมาแล้วก็ลงจากบุตรเดินไปฟังไปฟังไ ป, งไปมันร้องให้เด็กเหมือนเด็กร้องให้ก็ ต, ตามไป ต, ตามไ ป, ไปไปถึงบ้านไปเห็นแม่กำลังสาวเส้นไหม ก็เป็นสัตว์ที่มันอยู่ในตัวไหมมันอยู่ในเป็นดักแดอยู่มันร้องมันผูกความร้อนมันจะตายมันร้องเหมือนอย่างคนมันก็เลยไปไปเห็นแม่ทำเลยโอ้ยแม่ลูกอยู่วัดพอลูกอยู่วัดมามาไม่ยินเสียงแม่ทำมันนี่อยู่ลงแม่ทำสิ่งนี้อยู่ เป็นเสียงขดล่องให้แล้วงงกันไปหมดเลยมีเหมือนกับคนถูกฆ่าถูกตีถูกทุกขกกกกก์อยู่นี่ล้องให้เป็นหมูเป็นหมูอย่เห็นแม่ทาสาวเส้นไหมนี่เขาอยู่ในนั้นตัวเขาอยู่ในนั้นังแดกๆเขาจะตายเขาถูกคมร้อนแม่หยุดเสียอยจะเลี่ยงไหมต่อไป แม่ก็เลยฟังคําลูกชายก็เลยหยุดหยุดเลี้ยงไหมต่อไปเลยไม่เลี้ยงให้ปลูกมอญไม่เลี้ยงตัวไหมเลยไม่เอาเส้นไหมมาขายเลยเพราะมันบาปอ<ม>ันนั้นก็สอนได้ง่ายหน่อเพราะลูกชายเป็นเจ้าอาวาส ท, ที่วัดได้ยินแม่เอาห ล, ลอกอยู่ในบ้านก็เลยเขาก็เลยหยุดอันนั้นเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมก็ต้อง หาวิธีสอนให้ได้าหาเหตุหาผลให้ท่านเป็นผู้มีสินเงีย้ยท่านบริจาคทานไว้ทําให้ท่านทํำความดีด้วยล้วพิจารณาเป็นความดีแลนะ้วเป็นความดีอะไรมันจะดีก็สอนท่านท่านลูกสอนพ่อสอนแม่ได้เรียวกว่าลูกเป็นผู้มีปัญญาเหนือวกว่ากว่าให้ได้เนะี่ยไม่มีศินก็ว่างให้ได้ทาบากไม่ทําบุญก็ว่างให้ได้ ไม่รู้จักจะของเท่าจะของแก่รือว่างได้นี่เป็นบางบางคนนี่ก็จะมีเชื่อกันง่ายๆแล้วพ่ อ, อแม่ลูกท่านเราเราค่อยค่อย ช, ชวนท่านไปทําคนามดีเ ช, ชวนเราเรื่อยๆจนท่านตกลงไม่ยอม ง, ง่ายๆแต่คนมีมิจฉาชีพเห็นผิดจากท้็นองกองทำคนทุกวันนี้มัน มันถือว่ า, ท, าทําบาปหรอมนมีชาติเดียวนี้นะไม่เป็นไรหรอกทําก็ทําไปแลยเราถามท่านว่าเมื่อเราตกลงในโคนตมเราจะอาบน้ําหรือเราจงไปนอนอีกถามเมื่อเราทําบาปเราจะเรายิ่งจะทําลงไปหมดนั่นมันบาปลึกกว่านี่มาหรือว่าขาเราเป็นแผลมีดถูกเราจะมีดไปฟันลงไปอีกอนันกก่นั้นบาปลึกกว่านี่มา ถามเรื่องรายเงนจเจ็บปวดลงไปกว่านี้จะเอาอยัางไงหมอานไงหรือผ้าเราขาดใหม่ๆนี่เราควรจะซุนหรือควรจะซีกอกมันกว้างขนาดถามถามหาเหตุ น, นะคนในท่านฟังมที่สอนพ่อแม่มันเก็ควรทำดีอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาปัญญากว่าพ่อกว่าแม่ ถ้าเรามีปัญญาต่อพ่อต่อแม่แ ล, แล้วก็สอนพ่อแม่ได้ไม่เป็นอะไรพ่อแม่ก็เลยจะได้รับคุณงามคณนณดีจากลูกลูกก็เลยเป็นลูกที่บวชจูงพ่อจูงแม่มเรียกว่าบวชจูงอันนี้คนไม่ได้บวชก็จูงได้ไต้องบวชคือมีปัญญาบวชจะจูงได้จูงพ่อแม่นะ่ะเรียกว่าจูงไปสวรรค์จูงไปกุมภโลกจูงไปนิพพาน อันนี้แหละพยายามสักชวนทางไปทำความดีเหมเรียกว่าคุณรู้มีวิญญาท่านไม่มีศรัทธาก็สัก่วนไม่มีศรัทธาไม่มีศีลก็ซัก่วนใ น, นใรักษาศีลไม่มีจาระคัดชวนใม่บริจาคทําบุญไว้ตามกําลังไม่ให้ฟังเทศฟังธรรม่อสักชวนไปให้ฟังเทศฟังธรรมท่านไม่มีปัญญารู้จักว่าตนเองเท่าตนเองแก่จะล่วงลับเดินไปจากลูกจากเต้าเราไม่รู้ว่าวันไหนอะี่จะไปก่อนลูก แล้วจะเอาความดีอะไรติดตามเราไปพบใหม่ไปเกิดอีกพิจารณาดูเท่าหรือไม่เท่าเดี๋ยวนี้มันแก่หรือไม่แก่แล้วก็ให้เหตุผลของท่านมีบางทีท่านก็อาจจะหมดหิตรวมลูกพูดอาจจะไป น, นอนคิดถ้าคนมีปัญญาทีม่มีปัญญาเกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะได้รับผลรับประโยชน์จากลูกลูกก็เลยเปลูกที่ดีของพ่อของแม่จูงไปสู่ความสุ ก็เรียบวชจูงบวชจุงทุกวันนี้บวชวันนี้จุงไปถึงป่าชา้า mm hmm. เขาในเตาแล้วเดี๋ยวก็สึกแล้วมันจะได้บุญอะไรอยู่ที่นั่นจุงคนตายไม่ได้บุญหรอกใช่ไหม mm hmm. จุงคนเป็นนี่จุงไปวัดเขาก็ถืออาหารไปทําบุญได้อืเก mm ็ hmm. ไปฟังเทศน์ได้เขาทาอะไรได้จุงคนเป็นจุงคนตายใช่ไหมจุงไปทําบุญก็ไปไม่ได้ไมันถือเป็นโตไม่ได้ <c oughs> ถือเราไม่ไปบูชา <c oughs> บูชาไม่ได้ พุทเจ้าให้จูงคนเป็นสอนคนเป็นให้ไปสอนคนตายเห่นไหมผู้ที่บวช่าท่านตรวจกุศลธรรมมากุศลธรรมมาปยากตาธรรมมาตรวจให้คนที่ยังอยู่นี่ฟังไม่ใช่สวดให้คนตายฟังมันทําที่เป็นกุศลเป็นอกุศลที่เป็นอนปยาตธรรมแต่ธรรมธรรที่เป็น ก, นกลางท่านสอนอกุศลก็คือทําบาปากุศลก็คือทําบุญทําความดีท่าสอน มันจะอนิจจาว่าจะสั้งฆ่ารามสร้างขานไม่เที่ยงนั่นก็สอนว่ามันไม่เที่ยงอยู่กับคนนี่คนตายเขาไม่รู้จักเที่ยงไม่เที่ยงหรอกมีแต่คนนอนอยู่ในหีบเฉยคนเป็นนีมน่มันเท่ามันแย่เป็นไม่เที่ยงก็สอนคนแหมนีม่จะทำยอดเยี่ยมทั้งหมดเอามามาสวดให้คนตายฟังให้แทวเจียงสวดให้คนเป็นฟังสวดให้คนตายคนเห็นเลยไนมะ่รู้จักว่าเป็นทำอะไรออกมาสวดไหม คัเดเลือกคนตัอย่างดีๆมาให้ฟังทั้ ง, น, งนั้ น, นเลยอันนี้แหละเรียกว่าการคิดปฏิบัติแล้วก็สอนท่านเหมือนม่อท่านตายไปท่านก็จะได้ไปสุคติเราก็เป็นผู้เป็นผู้ดีของพ่อของแม่ใ น, นเวลาสอนก็เลยได้ดี